อ่าต่างทำกันนะเยะแยะเลยนะมะรดกธรรมที่เราได้พึ่งพาอาศัยเหมือนซับก้อนใหญ่ทางจิตวิญญาณของเราบทสวดสาธยายพระสูตรก็ชัดเจนหลักปฏิบัติก็ชัดเจน ไม่จนเลยในการที่จะเอามาใช้กับชีวิตของเราเป็นทรัพย์ในชีวิตของเราต้องคอยทางว่าใาทางใจถ้าไปดูทางวัตถสถานหลานธรรมก็ครบถ้วนมีพระไตยปิดกเป็นตัวหนังสือใน จะละไหนออกมาเป็นรูปแบบของการปฏิบัติเห็นเป็นรูปที่แสดงถึงตัวหนังสือนั้นพิธีเจริญสติให้เป็นรูปออกมาในหนังสือบอกไว้ว่าอาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัว ในพระโอษฐ์ก็ออกมาอย่างนี้เรามาจัดแต่งออกทั้งรูปภาพยกมือเคลื่อนไวหวซ้อมบัญฑิตย์บัพพะกู้เหยียดเคลื่อนไหวอริบทบัพพะต่างๆที่เกิดจากกายที่เอามาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความรู้จึกตัวเกิดเป็นธรรมขึ้นมาเป็ธรรมาจาัก ปฏิจจสมุปบาทพเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงเหล่านี้มีจริงเหล่านี้ก็มีจริงเหล่านี้ไม่มีจริงเหล่านี้ก็ไม่มีตัวกันไปแล้วก็ได้ส่มงผ่านแลยเห็นในสิ่งนั้นเกิดขึ้นที่กาที่ใจเราอื่นความหลงเพราะไม่รู้จึงหลงก็รู้ก็ไม่หลง ก็ไม่รู้ก็หลงเข้าไปกลายความหลงพาไปกลายผิดไปทั้งหมดกายวาจาใจถ้ารู้ก็ไม่ไปกลายกลับมาตั้งว้กายใจก็ได้ฝึกหัดก็ไ้หัดอย่างนี้ยังเรียกว่าสมบูรณ์แบบ รือว่าเป็นพระรัตาตายไดยทีเดียวหลอนธรรมบุทรสถจฐานรลอรนธรรมแบบว่าศึกษาที่ตัวเราก็เป็นอย่างนั่นจริงแต่พัฒนาจิตพระเจ้าก็สอนไว้สูตรเดียว อันเดียวจะได้ตลอดพบตลอดชาติทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาในสติปัญญกายยิบเป็นประจำทุกคนก็มีกายสติก็มีได้รู้เฉืนเข้าหยัดฉันออกให้รู้สึกตัวคนกควบเฉืนเข้าได้เหยียดฉัอนออกได้ให้รู้สึกตัวได้ไม่ยาก มีสติมีสมชัญญามีความเพียรเหมือนน้าฝนซึมซับในแผ่นดินก็เกิดงอกงามขึ้นมาในพืชที่เราปลูกที่จะเกิดดอกออกผลจะมีสติหวานลุกปล่อยเนื้อนาที่มีความเรัทธามีความพร้อมเตรียมไว้แล้วแต่ก่อนเป็น อ๋ดวงพงศ์ไฟเป็นปา่าหญ้าบัด น, นี้ก็ถ้ามีสติไปในกายก็เตียนออกรู้สึกตัวไปในกายนั่นสอนออความพอใจและความหมายพอใจที่มันเกิดเท่นะ้าออกมีสติต่อไปมีสติไปในกายก็เห็นจิตดัง <c oughs> กรัรนปฏิบัติ พ่อเทียนก็พูดอย่างนี้ในยุคนี้ที่มรภาพไปไม่นานประมาณถึงยี่สิบกว่าปีอย่างได้ยินยได้เห็นนำมาใชา้แต่เป็นรูปไว้ยเดีย๋ยวปฏิบัติตามว่าสังฆคือสงฆ์คือพระสงฆ์ผู้เชื่อฟังคําสอนของพระเจ้ชชามีศรัทธาปฏิบัติตาม บอกว่ามีสติเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดนั่นก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนแต่ซอยออกปล่ให้มันชัดเจนทุกคนถ้ามีสติเห็นกายเคลื่อนไหวมีสติดูกายเคลื่อนไหวก็เห็นใจมันคิดแน่นอน คนที่เฝ้าดูประตูมันก็เห็นสิ่งที่แสดงออกมาทางประตูมีหลายอย่างที่แสดงออกมาช่องประตูนี้ก็เห็นความคิดทั้งๆที่ทไม่อยากคิดมันก็คิดขึ้นมาถ้ามีสติก็เห็นความคิดมาได้เข้าไปอยู่ในความคิด พ่อเทียนก็บอกว่าอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้เห็นเหมือนคิดตรงนี้ต้องหัดแล้วอาศัยกรรมฐานช่วยเพื่อนไหวให้รู้สึกตัวเป็นนิมิตเกะาะไววเนี่ยมันก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วเรื่องทุนแลงที่เกิดความรู้สึกตัวยเยอะแยะสอมประชัญญอบับพระเดินก็ได้เพื่อนมือก็ได้ รูปแบบของกรรมฐานนั้นดะสอนกิจเวลามันคิดขึ้นมาที่ไม่ทั้งใจอาจจะเกิดความหลงในความคิดพายเป็นสุขเป็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> ย่าก็สอนไว้ว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียไดนะ้ถอนออกมาคือรู้จักตัวถอนแล้ว กายมัเป็นความรู้แล้วมาไล่เป็นดีแล้วแล้วความชั่วแล้วทําความดีในิ้ข้าวเดี๋ยวกันนั่นนั้นก็จริงอย่างนี้จะว่าอย่างไรจะปล่อยให้กายให้ใจทิ้งไปเช่นนั้นหรือให้เอาให้ความหลงผาปลอยให้ความทุกข์ให้ความโกรธผาปอยใจมันก็เป็นใหญ่ เมื่อมันเป็นใหญ่ไม่ได้สอนมันไม่ฝึกหัดแล้วก็พาไปให้เกิดทุกข์เกิดโทษได้เสียเปียกความทุกข์เสีเปรียบความโกรธได้แล้วก็เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นได้ยังฝึกเจิตใจของตนเองจิตมันเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจะต้องปล่อยเที่ยงม่ได้มันเป็นส่วนรวม จิตของคนนี้ถ้าคนมีความชั่วจิตชั่วพอทาบาปทํากรรมเดือดร้อนคนตนเองและคนอื่น <c oughs> ถวหลงมาลู้จักตัวเนี่ยได้ปัตนาเจ็ดล้มันหลงเลยเกิดความลู้เนี่ยมันไปทางนี้แล้วหลงเป็นลู้เรียบว่ากัลยาณนปะุทุชนกำลังเป็นมิตร กับตัวเองเป็นมิตรกับคนอื่นถ้าหลงเป็นหลงเป็นปุตุชนปุตุไปว่านางมืดต่อไปมามืดก็ไปมืด้ดเรียก ว, ว่าปุตุชนก็ทุกข์เป็นทุกข์ก็มามืดไปมืดเราไปทางไหนกันก็ทุกข์เป็นรู้มามืดไปสว่างอย่างนี้ โกรธเป็นรูเท้อทุกข์เป็นรูเท่าหลงเป็นรูนี่มมืดไปสว่างเรียกว่าการยั่วยาณนะ้าปุถุชนเป็นมิตรกับตัวเองแมน่นั่งอยู่คนเดียวก็เปนมิตรกับตัวเองได้ขุนโกขุนจอยได้พึ่งพ้าอาศัยอาศัยกายอาศัยใจสร้างความดีงอกงามขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ วันเกิดอย่างนี้ทําไมยังมาปล่อยตัวงทิ้งหลงมานอนแล้วโกรธมานานแล้วทุกบานานแล้ ว, านานลวบางทีก็เป็นฉุกเป็นทุกข์ความคิดกี่้อยหุ่นกี่ร้อยข้างแสนข้างแสนข้า ง, างความคิดอยู่ความคิดไม่เป็นเท่าไหร่มาแล้วเสียเวลาเอาความคิดที่พาให้ไหลไปต้องเที่ยวไปจะนอนไม่หลับก็มี เราไม่ได้สอนเกตตัวเองสักตีแล้วตามที่จะเป็นไปไม่มั่นใจมีจิตก็เพิ่งพ า, าศัยไม่ได้ไม่มั่นใจตัวเองคุ้มร้อยคุ้มดีผูผู้แฝบแฝบขึ้นขึ้นลงลงาาจิตถุกสอนเราจะไม่ค่อยฟูค่อยแฟบเดี๋ยวว่าลีอยชนกันหลังจะเป็นอรเละชน ไม่ผัไม่แพรบไม่มีความพอใจและไม่มีความไม่พอใจรูสึกตัวชื่อไปอะไรเกิดขึ้นมาตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นน่นแหละคือกัรลยะอ่าอาลียชนหูเดียมเสียงเขาสัตธว่าได้ยินรูเรื่องรูเล่าของนินทาก็กรูคอนเสิร์ตก็รูถ้าเป็นผู้ดุชนก็เขาคอนเสิร์ตก็ดีใจก็ เอเลยงท้าก็เสียใจปุตชนเป็นเช่นนั่นผู้ผูแฟบถ้าอาเลียนชนไม่ผู้ไม่แฟบตรงนี้ผู้มีสติฝึกตนได้แล้วย่อมไม่หวนไหวเหมือนชิลาแทง ท, ทิพมาสะเทือนผหลมฉันได้ผู้มีสติยอมม่อมไม่สะเทือนเพราะหนีนเท้าสังเสริจฉันนั้นนี่คือเรื่องไปก้าวไปชู อ๋เลี้ยชนชั้นใดชั้นหนึ่ง อ, อือมันไม่หลงเด็ดขาดมไม่เอาความทุกข์ไม่เอาการเอาใจมาเป็นความทุกข์เด็ดขาดอาจจะเป็นระยอบคลชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาส่วนได้อย่างนี้คือพฤกกิจอย่างนี้ก็มันหลงลู้นี่น้ำฤกษ์หนีความชั่วไปจู่ความดีหรือวา่ววาในขัมมะออกไปออกไปจากความชัว่วเลยเขียนเป็นตัวอัสือว่าบวช บอ ว, ว่าชอบไป่ว่าบวชขึน้นหนีอย่างนี้อาจจะไม่ต้องห่มจีวรอาจจะนุ่งกางเกงขาสั้นขายาวเสื้อฉันอ๋อเชื่อขาวเสื้อดําก็ได้เดีย๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวว่าได้ขมมะดาดิออกหนีจากวงชั่วไปชูวความดีนี่คือมันเป็นอย่างนี้ของจริงอยู่ทุกคนเราปิดบังตัวเองไว้ จึงมาหัดมันจะได้พึ่งปอจ่อยฝึกไปฝึกไปมันก็เชื่อมก็ดีขึ้นคนเรามังคนฝึกหัดได้หรือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมันหัดได้สนได้จากใจร้ายเป็นใจดีได้จากความชั่วเป็นความดีได้เวลามาหลงให้ลูกเนี่ยทำไมจะหัดไปได้ไม่หนักหนาสาหด มันทุกก็รู้เนี่ยทำไมจึงย่อหัดไปได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้มาไล่เป็นดีเนี่ยทำงานพระผู้มีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วตัดไม่ได้เพิ่มไม่ได้ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องทำด้วยตนเองคนอื่นทำแทนไม่ได้จะอย่างไงพวกเราเนี่ยจะทิ้งตัวเองไปถึงไหน ยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวที่นราเด็กเึืต่หนุ่มมู้หลานท่านว่าต่อให้เท่าไว้่แก่เสียเวลาเปล่าจะได้มีชีวิตชีวาที่ประเสริฐเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดที่พึ่งพ้าอาศัยของสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างเราเนี่ยก็มีชีวิตสังคมมีพ่อพ่อแม่บรรดาสามีลูกเดินหลานหลนมั่งแยะอาศัยทุกหลายหลายอย่าง อาจจะเป็นสตว์ประสเสริฐแล้วก็เพิ่งพเอาศัยกันได้อะไรก็เพิ่งได้สัตว์ลายชิงก็เพิ่งได้แผ่นดินอากาศแม่น้ำเดือป่าไม้ก็เพิ่งได้ถ้าคนประเสริฐแล้วไม่มีการทำลายทำร้ายเดี๋ยวนี้เราเดือดร้อนเพราะคนไม่ดีเพราะคนไม่ฝึกยังชวนกันมาฝึก ด, ดีคนเดียวไม่พอ นคนในล้อยคนถ้าคนชัว่วคนเดียวก็แล้วก็เดือดร้อนทั้งล้อยคนได้เราจึงเปนสังกงเึ็นเนสังฆะสร้างสังฆะสร้า ง, ง, าางหมู่สร้างคณะขึ้นมาหรือ ว, ว่าสังฆะรวมกันเป็นหมู่เพื่อทําความดีมีพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาจิกาเป็นบริษัทให้ความดีเกิดขึ้น ม้มากมาในโลกนี้พุ่นสวนกันสร้างวัดสร้างวาบวชลูกบวชหลานทมบุญให้ทานลูกเราก็เป็นนักบวชมาจู่วัดคุณละบวชผู้มีทอกบวดด้วยจต t าเมื่อเลาเห็นอย่างนี้จะต้องมีความบักเพียงเท่งขวบบันแม่เลือดเงือกระดูกจะผูฟัง ก, ก็กตาม เาก็มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีผู้ให้มีอาหารมีเท่บาตเชนาสนะชีนะาเภสัชของคนทั้งหลายเราได้เราไปโนพวกกีบวานของเขานอนกะตีเขาฉันอาหารของเขาก็าจะได้ผลใหญ่อันนดิศงใหญ่ทั้งสองฝ่ายเราก็มีประโยชน์ตลอดเป็นคนดีคนที่มีความสุขก็คือพ่อแม่พี่น้องผู้จะฉุขกขอนหมู ตลอดไปนคนชั่วเขาเป็นพลุกพลนคือคือพ่อคือแม่นี่ไม่พน้นอย่าลืมว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียวเวลานี้เราอยู่ที่นี่ลูกสาวลูกชายมาอยู่ที่นี่เ้ามีพันยาอยู่ที่นี่เอาคิดหวังว่ า, าลูกเขาจะเป็นคนดีเ้ามีจะเป็นคนดีพันยาจะเป็นคนดี แต่เราขั่วหลานชั่วมันน่ากลัวก่อจนผู้ไร่ลูกหลานเป็นคนดีก็เป็นที่พึ่งประสาทนะก็เกี่ยวข้องกันอย่างนี้พ่อแม่คิดถึงเราเราอาจจะบ้างคิดถึงพ่ทั้งแม่แเราจะลืมมื่พ่อแม่คิดถึงเราอยู่หวังพึ่งเราอยู่พ่อแม่ทุกคนก็หวังพึ่งลูกต้องการให้ลูกเป็นคนดี พ่อแม่จะทุกไ์เลยเใจขนาดไหนขอให้ลูกเป็นคนดีเป็นหัวอกกันเดียวกันเราก็มีพ่อแม่ทุกคนเนี่ยพ่อแม่ก็มีแล้วเราก็มีกายมีใจที่ได้มาจากพ่อแม่นี่มาทำํำกุดีให้คนลูกเขาเห็นให้ประกาศออกมานี่ลูกของพ่อของแม่น้ำจะคุญอย่างนี้พิดาบรรดาชื่อนี้ เลือดก่อนเดียวอันนี้ต่อกันมาหลายชั่วคนยังเกี่ยวข้องกันอยู่หรือว่าสอดสังคมเราจึงต้องจำจนต้องมาฝึกมหัสึกได้สนุกสนจิตของตนมีจดดูกายเพื่อนไหวเห็นจิตใจที่มาแสดงออกมา อาการที่เกิดขึ้นก็กเยอะแยะพอให้ผิดเยอะแยะสนุกแก่บางที่ง่วงหงาโน่นบาดที่ก็เกลียดฟุ้งซ่านบาดที่ก็เบื่อหน่ายต่อหน้าจอนั่นละอันมากูเป็นคู่แข่งของการเตริญสติสติจะเข้มแข็งเพราะมีคู่แข่ง ไม่จตแพ้นะั้นเป็นไตแห่งการแตว่าเต้าไปสู่ความชนะการพ่ายแพ้ไม่ใช่ล่มละลายเป็นทางไปสู่ความชนะได้ได้บทเรียนเยอะแยะการฝึกขัดเจตีภดาดวนานี่กรรมฐาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> นีไม่เสียงยนะ เพ่ไปเพิ่ไปรดหรือเปล่านีได้ชินายทีท่า น, นี้ได้ยินไหมแดงกนะเออไฟัากันง่วงนอนอยู่ไาง่วงก่อนนอนซะเออโรงหลานนอนปรงพยาบาลนอน ในไพบานสลินนุนก็หลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่วิชาชีพที่เลี้ยงเขาเขารับผิดชอบคนทั้งประเทศทั้งโลก <c oughs> น่าจะพึ่งปลาใจเขได้ามาศึกษาเรื่องนี้น่าสนับสนุนน่าเส้นใจทุกอหลายของเขาเลย มีให้ความสําคัญในเรื่องนี้มาศึกษาเฉลกคำาอนเป็นคอร์ดหนึ่งประดับลงไปที่จิตใจของเขาเพราะจะมีจิตใจดีจะได้ช่วยคนเราก็ถูกพยาบาลช่วยมาถูกหมอช่วยมาจาึงรวบมา น, นั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่มีโอกาสคืนบาได้วิชาของเขาเป็นวิชาที่เป็นบุญช่วยชีวิตของคน เหรีอย่างถูกต้องขั้นตอนอย่างถูกต้องทํากับผลเจ็บคนปวดลกูกไปยเขาเจ็บเป่รูก็หายได้ด้วยเมื่อมีการเจ็บไข้เด็ปว่วยก็หาเจ็บไข้เด็ปว่วยมีการเศร้าโศกลําพันธ์ก็เสหายเศร้าโศกความลําพันธ์นี่ว่าคนดีมันก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาขอท้าทายขอชู์ขอชูความเท็จความจริง เพื่อนๆกันมาดูด้วยกันเชิญมาดูเอ้ปาจิโกโอปันไดเยโกโนมมาดูโนมาใส่เราเวลามันหลงเอาความรู้โนมาใส่แทนความหลงให้ความหลงออกไปน้ำใสจะไหลมาน้ําเก่าจะไหลออกมันมก็จะใสขึ้นสันใดก็ดีเวลามันหลงน้ํามันคุณปล่อยน้ำใสไหลไปบังคับน้ําคุณออก มันเราล่างถังล่างแท่งเครื่องกองน้ำที่ทำน้ำดื่มต้องบ่อยน้ำไม่ดีออกไปน้ำดีไหลเข้าล่างออกโดยที่ไม่ต้องทําอะไรให้น้ํามันทําหน้าที่ของมันไปเองในความหลงมีความรู้ความรู้ก็ล่างความหลงไปได้ตัวมันธรรมชาติกดธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ว่าแต่เราปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกกับการละเทเจได้ข่าวเดียวกันน่ะเรือมันหลงมีความรู้ในข่าวเดียวกันนะ่นมาพ้อ ม, นนะมันตรงกันข้ามทุกเรื่องความไม่ดีกระสิษฐ์มจึงมองตรงข้ามอย่างนี้ก็ไม่มีจนเลยเวลามีเกิดก็ต้องมีความไม่เกิด เมื่อมีแจก็ต้องมีความไม่แจกเมื่อไม่เจ็บต้องมีความไม่เจ็บเมื่อไม่ตายต้องมีความไม่ตายมันเป็นอย่างนี้ความจริงทำไมไปยอมจำนนอยู่กับอาการที่ไม่ดีให้ความโกรธองอยู่กับชีวิตจิตใจเราข้ามบาดข้ามคืนแต่ท่านที่ไม่มีตัวมีตนเอาความโกรธว่าเป็นตัวเราว่าของเราแล้วก็โง่หลงนี่ก็โง่ เราทหลงก็ไม่มีอะไรมันมาเป็นอาการเวด า, าล้มเฉยๆเป็อาการถูกกระไม่ใช่เจ้าทินเราก็ต้อน น, น็อปตามๆ ถ, ถ, ถ้ากูได้โกรธกูก็ไม่ลืมนะ่ะอันนี้ือนเสียผู้เสียคนมามากแล้วนี่ก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> และจิตนี้แบบพัดสอนผ่องใสแต่เดิมอยู่แล้วแต่ว่าอาการทุกข์คือปัิเลยมันจรมาทําให้จิตใจเศร้าหมองเหมือนผ้าของท่านที่ใส่อยู่เรื่องสีขาวๆแต่มีโอกาสที่ปเปลี่ยนได้แต่ใช่ไม่เป็นจะใช่เป็นก็สะอาดจิตใจเราก็เหมือนกันแต่ความฉกโปล่นั้นซักได้ไม่ใช่ผ้าอันความจิตที่มันโกรธนั้นไม่ใช่จิต เราไปถั่วว่าเป็นเราซแล้วไคยหลงกันใหญ่เอาความโกรธว่าเป็นตัวเราเอาความทุกข์ว่าเป็นตัวเราเอาความรักความจงว่าเป็นตัวเรามันก็เสียเปรียบอย่างนี้ก็เดือดร้อนอย่างนี้ตัวตออะไรก็มีกิ้นยาตายก็มีฆ่าคนอื่นก็มีเดือดร้อน จะเอากันยังไงพวกเราเป็นสัตว์โลกอยู่ร่วมกันเนี่ยว่าทำกันแบบนี้กันพยายาทนไปล้างมันซะอย่าให้มันมาอยู่ในใจเราบอกขึ้นไม่ต้อนรับไม่มีเที่ยวอยู่อาศัย งั้นพระเจ้าแสดงธรรมพอถงมาเทศนาพอถงมาจักกวัาวัตรสูตรก็ธรรมกับจิิงเหล่านี้วื อ, อนาลโยอนาถันธีโกมอนาลโยไม่บีเทีย่ยศัยไม่ให้ค่าไม่ต้อนรับบอกคืน ทำกับความชั่วสี่ย่อนในธรรมจักไม่มีที่อธิบายอาคารตุกตามาคืออารมณ์จรมามีสติเป็เจ้าดินนั่งอยู่ก่อนเก้าอี้ใบเดียวกิจนี้มีเก้าอี้ใบเดียวเหมือนเก้าอี้ใบเดียวสติอยู่ก่อนแล้วเหมือนป้อมบาการ เห็นข้าเจิมมาก็ีก่นห้ามผ่านก็บอกขึ้นไปไม่มีที่อาศัยไม่ต้อนรับไปกลับไปปฏิบัติแคกลับไปได้สอนตัวเองได้สอนกายสอนจิตตัวเองสนุกสอนเนาะ สนุกดีๆสนุกสอนตัวเองได้เอาความถูกจากความผิดเนี่ยมันก็ขยันตรงนี้อยากช น, น้าความทุกข์อากชนหน้าความผิดจะได้แก้ <c oughs> มันก็สนุกดีภูมิใจไม่ได้เอาชนะคนอื่นเอาชนะตัวเองเนี่ยสิ่งเป็นที่หน้าภูมิใจเป็นสิ่งที่บร ะ, สะเสริฐการเอาชนะตนเองเป็นการชนะอย่างประเสริ อาชนะคนเหนื่อยลอยข้างพันหนุนไม่ชนะไม่เหมือนชนะตนแม่ข้างเดียวทวยเจ้าสรรเสริญ อ, อย่างนี้ให้ทำเรารู้จะรู้สึกว่าชื่นใจสิ่งที่คนจะโกรธไม่โกรธสิ่งที่คนรจะทุกข์ไม่ทุกข์เอาชนะความทุกข์กที่เกิดจากจิตได้เอาชนะความโกรธ ท, ที่เกิดจากจิตได้อย่างนี้มันก็เป็นกอบเป็นก ร, รมมงกนำงอกงามขึ้นมา บริชุดปวดผองมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาโลภรู้ไหวขึ้นกงตัวขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นวมายากง่ายขึ้นชานานมากขึ้นเป็นศีลอันยิ่งเป็นสมาธิอันยิ่งเป็นปัญญาอันยิ่งขึ้นไปการเป็นสาเป็นศีลขึ้นมา เรื่องนี้เรียกว่าปริญญาทางจิตยาจับปริญญากําหนดรูดโดยการรู้ง่ายทีเดียวรู้แล้วเห็นทุกข์รู้แล้วกําหนดรู้ได้แล้วละเหตุ เ, เกิดทุกข์ละได้แล้วทําให้บากแล้วทําให้แจ้งแล้วแจ้งมืดนในในไม่แจ้งในที่มืดมีงามที่ลุกหลอนท่านว่า ดีๆพราะยาปกป่าลูกก็เชื้อดกุก็ใจดีใจกล้าเนาโบรางท่านว่าใจประงสง์สางกางดงกว่าทงอชีค้านแล้วกลางบันก็นว่าดงทำอะไรก็ยากเขายากก็ง่ายผลเจียรค้านถ้าประสงสังล้วก็กลางดวงกว่าทงมองทะลุตะลวงไปในความทุกข์ต้องมีความไม่ทุกข์ เป็นทุ่งไปเลยต้อนในความทุกข์หรือว่าเป็นความทุกข์บิดงไปเลยนี่คนเกียดขค้านดยประสงค์สางกางดงกว่าธงทขี่ค้านแล้วกลางบ้านกว่าดงภาษาอีสานแม่นะ่กเราจึงอาว่าสนเร่ยยงบาง เอาความยากความง่ายเป็นปัญหาถ้าทำยากก็ไม่อยากทำถ้าทำง่ายอาจะทำทำมาง่ายก็ดีใจทำยากก็เศร้าหมองมาใช่อย่างนั้นสติจะไม่มีในคำ ว, ว่ายากง่ายมิจะเห็นแต่เห็นเนี่ยรู้สุก็รูกก้ทุกข์ก็รู้ทุกข์ก็กกกโโรูสุขก็รูปสังขกุรูปฟุงชอนก็รูเนี่ไปทางนี้ไปทางกลางกลางแบกไปแบกไปแบกไปทางมาอยู่ตรงนี้ เอาละน้องสมขวรจเวลากรบพระพิ่มกัน